ภารกิจเยอะภาระธุระสงองครออนุครอกันและกันหวันกับทั้งวนันกับขรวัดกับที่หนึ่งที่สองก็จะจำวัดได้เกือบลืมวัดไปแล้วอย่างดีจำวัดได้วันนี้ก็เหมือนกัน วันนี้ช่วงเช้าหลังจากพิจารณาพระธานแล้วก็จะมีการบรรยายธรรมชมบทอันถ้าใครยังว่างอยู่ก็อยู่ร่วมอนุโมนาความดีในการบรรยายธรรมสมบทช่วงเช้าช่วงบ่ายเป็นสังฆกรรม พระตั้งลองปฏิโมกใช้เวลาเป็นชั่วโมงหลังปฏิโมกเสร็จก็พักนิดหนึ่ง้วขึ้นดอยงานบนดอยห้ามื่นก็จกลับลงมานอนต้มกว่าดลงดงอันนัน้นคือพระ บอกความเป็นพระเนี่ยยิ่งแก่ก็ยิ่งใจเอแอแบบนัะแต่ววาชาวบ้านเน่เวลาเกณฑเขาก็ไปไว้บ้าพักคนชรามเจนจะไดมีหลากหลายอารมณ์หลากหลายความคิด เมื่อวานไปโรงงานหลวงปู่วิชัยทำพระจมท่านกันในวัยเจ็ดสแปดไปแล้วยังมาทันถึงอายุพุทธเจ้าเมื่อกี้ก่อนจะเทศก่อนนู่นพาไปถึงท่านพรมพบ ม, มาจโรกา เขาพรมเขาครึ e. Entonces, si ver, ini, ่งอยู่กับเขาคือฌานแล้วเขาจะไปพรมดับฝุ่ยฌานรูปประชานกับวรูปประชานมันก็อยู่แค่เซตพรมวาระยุใครเหมือนเดิมแต่เขาอยู่ได้เป็นหมื่นๆปีวาระยุของกเราประมาณนี้คร่าว ร่องก็อย่าให้พวกเราเอาคุณสมบัติของพรหมมาใช้ก็มาเล่าสำสากวิธีหนึ่งในความเป็นพรหมเราพรหมบนโลกเราพรหมมิหารเครื่องอยู่ของพรหมแต่เราก็เป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่เอาไว้เงั้น ถ้าใครจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีจะให้คนเคารพนับถือก็อดูคุณสุบันกับพรหมเอาไว้เรื่องนี้หลวงพ่อเคยเล่าหลายรอบอธิบายหลายรอบก็ปลูกบ้านที่ไรนะเรื่องถึงพรหมก็คือพรหมอิหารคือหนึ่งคือแม่ตา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญบ้านไหนไม่มีความเมตตาใกนันอยู่ด้วยกันไม่ได้แม้แต่สิงสาราสัตว์ถ้าเราไม่มีความเมตตาให้กันมันก็เกิดความเบียดเบียนเหมันทุกวันที่เราเป็นเราเห็นกันทุกวันเนี่ยตัวเมตตาเป็ตัวหลัก ความสงสารที่อยากจะช่วยให้พน้นจากความทุกอย่างลําบากดังนั้ น, น, นให้อยู่ในใจของเราอยู่เสอมออยู่ความคิดของเราอยู่เสอมอถึงแม้เราช่วยกันไม่ได้หมดทุกเรื่องทุกอย่างอย่างน้อยตั้งจิตเจตนาไว้ให้มีความสงสารมีความเอ็นดู เกิดขึ้นในใจ น, นี่ก็เป็นคนสุสมบัติตัวที่สามก็คือเวลาคนอื่นเขาทำความดีคนจะอนุโมทนาแค่นี้ก็เป็นบุญแล้วแค่ยกมือทั้งหัวก็ตั้งจิตอนุโมทนานต้อไปอิจฉาตาลอนต้องไปตกวิจาร์ บนมันเกิดง่ายๆอยันนี้ถ้ามีความแสดงยี่งเป็นที่มาของอนุโมทนานะยินดีด้วยนะซึ่งเมาต้องใช้สตุ้งสตั้งอะไรเลยสุดท้ายก็คือถ้าทำอะไรไม่ได้ก็าวางก็าวางอารมณ์เรื่องนี้ในชีวิตปัจจุบันเราทำอยู่แล้ว มันคือการพักผ่อนนอนหลับให้ึ้นวางอารมณ์ข้างนอกวางหู ว, วางตาวางปากวางสารพัดในขณะที่วางมันก็มีประโยชน์ไม่เกิดคุณเกิดโทษอะไรเป็นอุปเลคาลมดีนี้ได้เป็นรูปธรรมเคยเปรียบเทียบให้บังอยู่เสมอเมตตา ถ้าเป็นบ้านเราก็คือโครงสร้างโครงสร้างคืออะไรคือพื้นผนังหลังคานี่คือไม้ของอาาบ้านองค์ประกอบของบ้านถ้าพื้นผนังหลังคาไม่มันคงไม่แข็งแรงบ้านก็อยู่ไม่ได้หลังคารั่วบ้านเราก็อยู่ไม่ได้ไอ้โครงสร้างนี่มันคือถ้าเปรียบ ในผมนี่นก็คือความเมตตานะถ้าบ้านไหนไม่มีเมตตาก็คือโครงสร้างของบ้านไม่มันคงอยู่ด้วยกันไม่ได้ทะเลาะบาะแวงไม่ อ, อมีความเมตตาให้กันเลยกันอยู่ด้าาวยู่กับไม่มีความสุขนัข่นคือขาดโครงสร้างที่ดีแลแ้วเมตตานี่ยก็คือโครงสร้างของบ้านเนปะ็นหลักรุณานะี่ จริงๆก็แปลว่าอยากจะช่วยเขาคน ท, คาาทุกแล้วความาคือหมายก็ว่าถ้ามีทุกข์แล้วมันต้องออกออกไม่ว่ามากหรือน้อยไม่ออ ก, ไ ม, อออกไม่ได้เหมือนในตัวเราร่างกายทางการของเราเราไม่รู้เราเรามีทุกข์แต่ว่าวันหนึ่งมันสอนเราบอกเราทุกวันเรามีทุกทุกวันนะอย่างน้อยที่สุดก็คือทุกหนักทุกเบา ที่กลังคนเข้าไปเนี่ยคือเข้าไรับอาหารคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกตอนนี้กลางจะคนเอาเข้ามาถึงยี่สี่ชั่วโมงคนออกไปแล้วแต่เราไม่ได้คิดว่ามันเป็นทุกข์ทุกหนักทุกเบาถาม า, า, าในบ้านเราก็มีเครื่องบอกุะบอกว่าทุกข์แล้วมันจะต้องออกออกไม่ต้องกำจัด นั่นก็คือห้องน้ําห้องสุขานั่นแหละทเรียสุขาจะเรียกว่าสุดวายห้องสุขาเป็นที่สรารพัดเป็นที่ชนะําระเป็นเที่ อ, ออกที่เป็นทุกหนักเป็นทุกเบาไม่ อ, ออ ก, กไม่ได้จะอยู่ในร่างกายคือบ้านเราเนี่ยมันก็อดขัดเคืองทนไม่ได้นี่คือสภาพของปรรมฐานเว่ทุก ก็เกิดกับใครก็ตามแล้วมันทนไม่ได้ถ้าไม่เอาออกมันอยู่ไม่ได้ก็ดูแต่อุจจาระปัสสะของพวกเราเรื่อเอาทุกข์หนักทเบานี่ท่นมีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วเราไม่เอาออกมันเกิดอะไรขึ้นความหนักเบาเพราะนั้นห้องน้ําจึงเป็นสัญลักษณ์ของการกําจัดทุกข์คือเอาต้องเอาทุกข์ออกไม่เอาออกไม่ได้เพราะนั้นทุกบ้านต้องมี ไม่มีบ้าน์ไหนไม่มีแต่พอทุกออกไปมาว่วสูสบายสุขะพิโรสุขาอาจจะเป็นต้องมีจิตของเราหนึ่งก็เช่นเดียวกันถ้ามันเป็นทุกข์หนักทุกข์เบาเกิดขึ้นแล้วนะมันจำเป็นต้องเอาออกต้องใช้คำว่าจำเป็นไม่เอาออกไม่ได้จึงเรียกว่าก ร, รุณาคือหองปฎทุกข์นี่นแหละ โมทิตาอันนี้คือห้องรับแขกบ้านเราอีกเป็นต้องมีแขกไปได้ป่ะคนนั้นคนนี้ต้อนรับขับสู้ตามสถานะตามสภาพไม่มีห้องรับแขกไม่ได้วันนี้แขกเนี่ยมีทั้งแขกดีแขกไม่ดียังไงก็ต้องต้อนรับคือสิ่งที่มันเข้ามาในใจเข้ามาในจิตเราวั น, นวันหนึนนน่ง มันมีทั้งแขกดีและแขกไม่ดีวนใบเวียนมามาเยี่ยมเยือนเมื่อเราเนะเราจะเป็นต้อตั้งรับเรียกว่าห้องรับแขกซึ่งถูกบานตนั้งหนึ่ห้องสุดท้ายอุเปเเกรษหลบมาแต่รับแขกทั้งวันไม่ได้มันต้องวาง ห้องอเลยคาก็คือห้องนอนวันหนึ่งมันต้องนอนมันต้องพักพักสันพักยาวเหมือนเมื่อคืนมาถึงตีหนึ่ีสองยังไงก็ต้องพักไม่พักไม่ได้ก็เลยก็วางพักกายพักใจมันจะต้องได้พักคือใจมันได้พักบ้างไม่ใช่ไปรับแต่แขกทั้งวันคือรับอารมณ์ อารมณ์เข้าอารมณ์ออกทั้งวันนี่คือสวรรคชั้นพรมถ้าพวกเรามองพิจารณาเห็นอย่างนี้หรือสร้างบ้านของเราทุกบ้านให้เป็นอย่างนี้คือมีโครงสร้างทือมีคือเมตตาคือจิตในจิตในใจของเราเป็นปคนมีเมตตานั่นก็คือโครงสร้างคือเบือ้องต้นเดี๋เมตตาตัวเองนี่แหลอะอะงสุกิตโหมิ ในตาคนอื่นหรือสัมปชัญญะทั้งหลายอันนี้จะเป็นต้องมีนะึต้องสร้างถ้าไม่มีต้องรีบสร้างต้องรีบใมันเกิดให้มีขึ้ น, นตัวเราในต่างความสงสารมันต้องมีโดยพออเพอะยิ่ยงคือหัวใจขอความโพดีพพัทนี้เป็นหลักเลยที่จะคิดให้ผูอื่นช่วยหรือพ้นจากทุกค์อันนี้เป็นหัวใจขอ้อความบริษัทวัตถุประสงค์ทำนาเพื่อสิ่งนี้ ถ้าคเคยบำเพ็นโพธิสัตว์เปเด็นตัวนี้จะเป็นเรื่องสําคัญไม่มีไม่ได้จิตของเรากับวนกันเมื่อมีทุกข์ระวนไปทุกข์หนักหรือทุกข์กกเบาก็ต่างจะต้องเอาออกไม่มากก็น้อยถ้าคนไม่ อ, ออกคือเก็บเอาไว้มันจะเต็มไปด้วยของเน่าของเหม็นในจิตของเราเนี่ยเหมือนร่างกายของพวกเราเนี่ยถ้ากินเข้าไปแล้วไปเก็บเก็บเก็บเป็นเดียวโดยไม่ออกมันปีเสียเนี่ย ใครบอกปีเสียดีราต้องระวังนะปีเส e ากินแล้วมันไม่ถ่ายแต่ใครหอยปีเสต้องระวังปนเป็นศาสนาธรรมเข้าอย่างเดียวไม่ออกอมันเป็นธรรมชาติเหมือนร่างกายของเราเข้าไปแล้วไม่ออกมันเป็นธรรมชาติเพราะนั้นมากน้อยมันจะต้องออกออกคือทุกที่มีอยู่ในตัวเรานะว่าจะเป็นทุกกายทุกใจมันจะต้องออ ก, ออกอ น, นี้คือธรรมชาติสอนเรา ก่สองสามก็คื อ, อยมบุตจะไปรับแขกคือสนองแต่อารมณ์ของตัวเองแขกไปอะมาทั้งวันรับอารมณ์ตาหูจมูกมันรับอารมณ์ที่เข้ามารับทุกเรื่องที่เข้ามาโดยที่ไม่พักเลยคือไม่มีห้องนอนสมุนบานไหนไม่มีห้องนอนอะไจะเกิดหรือว่าวันคืนหนึ่งเราไม่หลับไม่นอนเลยคือไม่ได้พักจะเกิดอะไรขึ้นจิตของเราก็เหมือนกันมันทํางานหนัก หนักมากๆไม่ใช่หนักธรรมดาที่จะรองรับอารมณ์อันนี้ท่านไม่เคยฝึกปร้หัดก็คือปฏิบัติจิตดวงนี้มันจะเข้มแข็งแข็งแรงได้อย่างไรมันจะมีพลังได้อย่างไรมันไม่มีเหมือนเราทํางานหนักบางก็เหนื่อยบางก็ล้าจิตก็เหมือนกันถ้าไม่พักถ้าวันนั้นไม่นอนเลยก็เรื่อยขึ้นหรือไม่นอนยาวๆเราจะรู้ว่าการที่ไม่นอนหลายๆวันจิเกิดอะไรขึ้นไม่ได้พักกันเลย คนนั้นได้ปฏิบัติโดยพืยึง ก, การปฏิบัติภาวนาการทําสมาธิคือการพักจิตคือทำให้จิตมันได้พักก็คืออุเบกขาแต่ถ้าใครว่าอารมณ์ได้ยิ่งเยอะยิ่งดีหลายเรื่องหลายรายิ่งวางอารมณ์ได้นั่นคือ ก, การเอาเข้าห้องนอนเป็นห้องนอนของจิตเดี๋ยวน้ถ้าจิตมันไม่เคยพักเลยมันไม่ได้พักเลยอย่งแต่ละวันมีได้ปรุงก็คือสังขารฟุ้ง ไปตามที่มปรุงมันแต่งไปตามสะพานไปตามตัวเชื่อกที่มันเข้ามาสู่ร่างกายก็คือตาของดวงวิญญาณเข้ามาสู่ใจใจมันก็ทํางานนด้เพราะมันไม่ได้พักอันนี้คือหลักในทางปฏิบัติทั้งทงเป็นทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติพรมจริงๆกับพรมที่เป็นปัจจุบันเราสร้างได้ สรงบันเราเป็นพรอมได้สร้างกติสีนายสนะวัดบารามของเราให้เป็นพรอมได้เหมือนย่เราทำทุกวันนี่ยนบรภาษิบุญเสร็จล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาเสรเมตตาการาุณาเตาอเาุเบกขาถ้าเป็นภาษาบาลีเราทกันเป็นนกแก้วนกขุณทองหรือในทางเดียวก็ปฏิบัติราะนั้นคำว่าทุกคำนี้พรเจ้าให้ความสำคัญกับคาว่าทุกนี่เป็นยางมากเลย เพราะอะไรเพราะเป็นต้นตอเป็นต้ น, ตเ น, ตนเหตุทั้งหมดทั้งมวลของสรรพสัตว์ทั้งหลายทําให้เข้าใจหลักการอันนี้ไม่เข้าใจเรื่องทุกขอ์อันนี้คนนั้นเท่ากับไม่เข้าใจตัวเองเมื่อไม่เข้าใจตัวเองก็แบกแบกทุกข์อันนี้แหละแบกปุจจระปัสสะของเนาของเม้นแบบไปแบบมาแบกทาศสี่กันห้า ทมันเสวยอารมณ์เวทนาสัญญาต่างๆเป็นญญาณแบบไปแบบมาจนน่นะมันอยู่ไม่ได้จะมันล่มสลายจากกันไปดินเป็นดินน้าเป็นน้าไปไปลมเป็นลมเมื่อพนักก็หมดสภาพเมือหมดสภาพแล้วมันทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นร่างกายของเรามันก็จะเริ่มถดถอยลงไปตามอายุอาณามที่เรามีอยู่มันไม่ได้แข็งแรงขึ้นมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเร็วแรงแข่งข้า มันก็จะลดน้อยถอยลงถ้อยล ง, ยลงในขณะที่เรายังเข้มแข็งแข็งแรงอยู่ก็ไปรีบไปริให้ทำแต่เมื่อเป็นขออ้างสารพัดอ้างอ้างกลางวันอ้างกลางคืนอ้างอะไรกันงานสารพัดอ้างจนสุดท้ายไม่มีโอกาสที่จะทําความดีมันเป็นปัญหาที่ถีอย่างหนึ่งดีเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อมีชาญหาที่ถีเกิดขึ้นอย่างนี้แนละ้วมันปิดกั้น ปิดความไม่ทำความดีก็เป็นนิวรธรรมอย่างหนึ่งสุดท้ายปลายฐานก็คือเมือ่อธาตุทั้งสีมันอยู่ไม่ได้มันก็สักไปว่าธาตุแต่ที่มันไปต่อคือจิตมันจะไปไหนนตรงจิตตัวนี้จะไปไหนในเมื่อโดยปกติโดยสภาพแล้วเราก็ปรารถนาสวรรค์นิพพาน แต่ในความเป็นจริงแล้วนะปรารถนาอย่างเดียวแต่เราไม่ลงมือทําอยากกินของอร่อ ย, ออยๆจะจินตนาการแต่ว่าไม่หยิบเข้าปากเป็นตอนนี้มันอาหารเต็มถาดเต็มถ้วยมันนะแต่ไม่หยิบเข้าปากมันก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะธรรมะเช่นเดียวกันเมื่อเรารู้ว่ารสแห่งธรรมยังไม่เกิดเพราะความที่เรายังไม่ได้หยิบเข้าปากมันลดอาหาร ร่างกายมันก็ไม่รู้รถมันไม่ได้รับรถมันก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายธรรมะเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ได้รับรถแห่งธรรมเราก็จะเป็นอย่างนี้ได้แต่จินตนาการสุดท้ายปายทางก็จะไม่ได้อะไรวันนั้นอายุอายนาของพวกเราแต่และคนแต่และท่านมันก็ร่น้ามาร่น้ามาก็พยายามที่จะตับตวง ไปว้าหยิบช่วยให้มันได้มากในส่วเท่าที่บางได้ส่วนที่มันเป็นประโยชน์อะไรก็ทิ้งบางความบังอย่าไปหยิบอย่อไปช่วยอย่าไปเก็บอย่าไปกักอย่าไปตุนอะไรบางมากจนไม่มีสติไม่มีปัญญาเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้สุดท้ายจะได้เก็บขยะจะได้ขยะเต็มหมดทั้งกายทั้งใจมีแต่ของเราของเหลม ซึกปกติร่างกายเราเป็นอย่างไรอยู่แล้วคืออาสุภะสุดท้ายกับมรณะคือตายก่อนที่มรณะอสุภะเราก็มองไม่เห็นมรณะไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเพราะฉะนั้นเหลือแต่เดียวที่เราพอจะพึงได้ก็คือพุทธานสุสติการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรระสงฆ์อันนี้เป็นหลัก2องคือเมตตาอันนี้เป็นหลักเลยถ้าให้มีเมตตาร้อนเราจะร้อน คนอื่นเขเจ็บร้อนะังนั้นคนที่มีเมตตานั่นคือใครเข้าใครก็เย็นตัวเองก็เย็นคนอื่นก็เย็นใหคุณสวัสดิ์คุณนี้เมตตาหนังกรเพาะเราทุกคนช่วยกันสแสวงหาความดีความงามมันกับตัวเองอย่าพยายามที่จะทําลายทําลายตัวเองอะไรที่มันดีได้แม้แค่ความคิด แค่กระพูดการกระทํากระเตื้อไปเรื่อยๆทีดีแล้ววั น, ออ น, งงนวันหนึ่งฮะเราอยู่อย่างนี้ไม่งั้นก็จะเป็นวัฏตะอยู่อย่างนี้แหละคือวนวนไปเวียนมาเหมือนวงกลมคิดพูดทําเรื่องเดิมไม่ไปไหนมาไหนอันนี้คือวัฏตะที่แท้จริงแล้วทาให้เรานี้ไม่พ้นอย่างวัฏตะอันนี้ก็คือความคิดกระพูดการกระทําของตัวเองนี่แหละให้ทําให้เราวนไปเวียนมา อ, อยู่อย่นนี้ถ้ามาถ้าเรา จัดระเบียบความคิดคํำพูดการกระทำของตัวเองได้คนนั้นนก็คือพยายามที่จะหนีหรือไขหมนุนโอแก้ววตตะวตตะมันหมุนเขา้ามุนเขา้ามันก็จะคลายเป็นวิวะตะคือเปิด ม, ม, ม, มันก็ไม่หมุนเข้าเหมือนน็อตตนั้นวตตะมันหมุนเขา้าวิวะตะคือคลายออกก็จะค่อยคลายออกคลออกจนออกจากวตตะนี้ได้ จะตายปทางอันนี้คือสารธรรมสำหราฟฝาผู้รองในชุ่มชาวนี้ซึ่งเราจะต้องมีกิจกรรมอะไรอีกเยอะแยะวนี้สำหรับรคนที่จะเข้ามาบรรพชาพิจารณในทางศาสนาก็ขออนุทนานเป็นเนกพมะบารมีอย่างหนึ่งที่ในบารมีทั้งหลายที่เราเมา เ, ราเป็นมาผู้ใจของเราเรเป็นมาแล้วพบหลายชาติที่เป็นเนกพมะบา่ามีอันนี้ก็ขออนุทนา คืสวนเจตนาทุกคนในวันนี้เรามีญาติธรรมที่มาจากต่างประเทศเมื่อก่อนลงงพอไปมาเลยก็ตามมาหลายรอบแล้วไม่สบายกระพาคุณพ่อคุครอบครัวคุณเชิดชงลาแล้วก็โวยสอยืนดีไว้ไวยมากระไร จะมาร่วมทำบุญสำหรับเช้าวันนี้ผู้สามารถไกลไปต่างประเทศเพื่อมาร่วมทาบุญเป็นกัละยาณมิตรคำของพวกเราขออนุโมทนาแล้ววันนี้เขาเป็นเจ้าภาพพัฒนาสำหา ร, รับชาววันนี้รวมทำบุญด้วยก็ขออนุโมทนาในกุศเจตนาขอความดีที่พวกเราทําในวันนี้หรือทั้งหมดก็ดีในปัจจุบันก็ดีในอดีตท่านก็ดีจงเป็นผลส่ง เป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นกำลังกืออนุนสงให้สิ่งเหล่านี้ถึงแก่บรรพบุพรุษของเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายผู้มีผูุ้นทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราทั้งหลายได้กระทําบานเป็นในวันนี้